นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดปากออนไลน์ทางเพียวธรรมะ .com อาตมาพระไพบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหาโศกมาพบกับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกลับนมันการและกลาบสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพทย์ณัฐพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับตอนนี้เป็นตอนที่อะไรแล้วคุณหมอณัฐพงศ์ตอนที่64ี่ครับ64แล้วครับแล้เราก็มาพบกันอยู่ในเกือบทุกสัปดาห์ครับและที่นี้ว่า ในสัปดาห์นี้เป็นตอนที่หกสิบก็จะพูดถึงเพิ่มเติมนิดหนึ่งจากประเด็นที่เราได้คุยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตันหาตันหาที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์ก่อนนู้นด้วยในตอนที่6กสกับหกเใช่ไหมครับเราพูดถึงตันหาที่หนึ่งี่มันมีประเด็นเพิ่มเติมอีกนิดนึ่งแต่มาไปนั่งสมาธิพิจารณาดูว่าเอ๊ะที่บอกว่าตันหากระชันท่เนี่ยที่ว่าเราต้องหาจุดบาลานซ์ใช่ไหมที่ว่าหาตั้งสมรุนไม่ได้ทำ การที่ว่าจะทํำยังไงให้เวลาเราตั้งเป้าหมายสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันมันไม่เป็นตันหาความทยานอยากถ้าใช้ภาษาไทยแล้วกันนะใช้คำ ว, ว่าทยานอยากไม่ใช่อยากให้เฉยเทยานอยากด้วยมันเป็นตันหาแล้วก็ทํำยังไงให้พอเราเห็นเป้าหมายชีวิตของเราแล้วนะพูดถึงขึ้นใหม่สมมติเงินพันล้านเนี่ยเราไม่มีจิตที่สุดตรงสองข้างคืออยากได้จนตัวสัน่นแล้วก็ไม่คิดโอ้ยมันทําไม่ได้หรอก แต่ให้อยู่กลาง ๆ, ๆคือมีความฉันทาอันนี้คือทางสายกลางใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นอย่างนี้อันนี้คือเรื่องของอเรื่องของฉันทะที่เราต้องตั้งไว้ประการที่1นึ่ทีนี้พระเช่ชาเคยตรัสไว้อย่างนี้เคยพูดถึงเรื่องของคนที่ทําความหวังในการที่อยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคื อ, อเหมือนกับคนที่เอามเมล็ดงามาหวานลงในรางใช่ไหมแล้วก็พรมน้ําแล้วก็บดไปบดมาเนี่ย ก็จะทำให้ได้น้ามันถึงแม้เขาจะหวังก็ได้น้ํามันเขาไม่หวังก็ได้น้ํามันจะหวังหรือไม่หวังก็ใช่ก็ได้น้ามันจะหวังไม่ใช่ไม่หวังก็ไม่ใช่ก็ได้น้ํามันมันเหมือนกันตรงนี้นะเป็นประเด็นที่เไม่อ่านมาไปคิดว่าเอ๊ะสมมติเป้าหมายในชีวิตของคุณ่ะครับคุณอยากเป็นรัฐมนตรีคุณอยเป็นสอสอคุณอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่พูดถึงเป็นพระาจารย์ก็ได้แล้วคุณจะหวังความเป็นพระาจาหรือไม่หวังก็ช่างหัวมันเถอะแต่ถ้าคุณปฏิบัติตามระยะมั่งมีงแปดด้วยได้ ะ ไ, ได้สร้างเหตุที่ถูกต้อ ง, องใช่ไหมครับเพราะว่าเหตุแห่งกุศลธรรมนั้นเธอได้กระทําแล้วโดยรกากเงาครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ า, าคุณอยากได้เงินพันล้านคุณสร้างเหตุอะไรในการที่คุณจะได้เงินพันล้านถ้าคุณสร้างคุณหวังว่าคุณทําได้หรือไม่ได้นเรื่องของมันอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณคทํำไหมหรือนะว่าคุณยังเปิดคอมพิวเตอร์ยังเล่น Facebook อยู่เสียเวลาอยู่และชีช้แชทอยู่และเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไร้สาระอยู่ยังไหลเป็นกามรรมอยู่ไม่ทางได้หรอก เพราะาเหตุที่กระทํานั้นไม่ได้ถูกกระทําอืำครับที่ประเด็น <Okay. S 2> คือตรงนี้ไอาการที่เราจะมากระทําสร้างเหตุตรงนี้ได้จิตคุณต้องเป็สมาธิแน่นอนถ้าไม่ไงั้นคุณจะไหลไปตามสิ่งต่างๆแล้วนะจิตคุณต้องไม่มีกามจิตคุณต้องเป็นสิ่งที่มีกําลังมีความแน่วแน่ถึงจะทําได้คุณเชื่อว่าคุณจะทําได้หรือคุณไม่เชื่อว่าจะทําได้อันนั้นไม่ใช่สาระสาระคือคุณทําหรือเปล่าได้ทําจริงๆอิงถ้าคุณทําโอเค ในเส้นทางที่ถูกต้องใช่ใช่ไหมครับวิธีการที่ถูกต้องนะคุณก็ก็ได้ตามผลที่ทมุ่งหวังแน่นอนออครั้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่ทําให้คิดว่าคุณจะหวังหรือคุณไม่หวังก็ได้เถอะแต่ว่าเหตุปัจจัยในการที่คุณจะทําเนี่ยมันคือจิตที่ต้องต้องเป็นกําลังต้องเป็นสมาธิครับอเพราะฉะนั้นอย่างหลายๆคนนะ่ะมรดพงเขาทําไปนู่นก็แก๊กนี่อ๋อสุดท้ายมาเป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอว่าฉันไ่ฉันจะเป็นยี้ ใช่ไหมนั่นก็รปลว่าเขาสร้างเหตุของการที่เป็นนักธุรกิจได้ยิ่งใหญ่ได้กระทําแล้วโดยรากเงาเขาหวังก็ได้ไม่หวังก็ได้ก็ไม่เป็นไรสมมุติเราต้องการนมจากนมวัวเนี้ยคุณไปเอาวัวตัวผู้มารีดมันจะไปได้ดมได้นมได้ไงไม่ได้ไม่ได้มันได้อย่างอื่นแล้วคุณเอาวัวตัวแม่มารีดแต่ถ้ามันไม่มีลูกมันก็รีดไม่ออกเหมือนกันมันต้องเป็นวัวแม่ลูกอ่อนแต่บางคนเอาวัวมารีดนมจากเขาแล้วมันจะไปออกได้ไง มันก็ต้องรีดนมจากนมบัวลักษณะนี้ครับถึงถึงจะถูกต้องเพราะว่าเหตุที่คุณกระทําเนี่ยได้กระทําแล้วโดยรากเง้านี่คือประเด็นที่พระเจ้าบอกครับใช่ครับเพราะฉนั้นเพราะนั้นเราเวลาต้องการอะไรในชีวิตเน่ยคุณตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยคุณคุณต้องคิดถึงกระบวนการด้วยแนววิธีที่จะทําให้ได้สิ่งนั้นมาพระเจ้าเคยพูดถึงอิทธิบาทภาวนานั่นคืออ่าคือการพัฒนา บาตรทานที่ทําให้เกิดอิทธิขึ้นมานัาคือสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละนั่นก็คือพูดถึงาการเจริญ ช, ชนทะวิยจิตได้ไม่หมากษาด้วยกา ร, ราามีทำมีทำเครื่องป ร, รุงแต่งแล้วก็อาศัยสมาธิเป็นประธานจิตอย่างที่เราเคยพูดกันไปแต่ถ้าอาศัยสามขานะสี่อย่างนี้แต่ละอย่างมีสามขาเนี่ยนี่แหละคือเหตุที่จะทําให้คุณได้มาโดยรากเงาซึ่งเราทําแล้วเพราะเราต้องการอะไรนะคุณต้องการเป็นอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่ง มีเงินพนล้าใช่ไหมลองไปดูที่คนที่เขาเคยทําแล้วเขาทาํางานยังไงศึกษาสักสี่หคนกระบวนการเขาทํามาอย่างไงแล้วก็ทําตามนั้นนะไม่ว่าคุณจะหวังหรือคุณจะไม่หวังคุณก็ต้องได้ก็แค่นั้นเองครับถ้าเหตุปัจจัยถึงพร้อมถูกต้องถ้าถ้าเราได้ปฏิบัติตามนั้นจริงๆครับครับอันนี้ ค, ค, คือเรื่องของตัณหาที่เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะจะอยากรหรือจะไม่อยากเอายกไว้ก่อนเลยนะแต่ว่าถ้าเราปฏิบัตินี่มันมันได้แน่ทีนี้มันกลับมาเรื่องของทางทางธรรมนิดหนึ่ง ที่ว่าอย่างอริยมรรคมีงมองแปดนี้ก็เหมือนกันเอ่อคุณจะอยากปฏิบัติหรือจะไม่อยากปฏิบัติก็ได้แต่คุณปฏิบัติไว้ก่อนแต่ถ้าคุณปฏิบัติไว้ก่อนยังไงตัณหานี่มันลดแน่นอนครับอืมคุณจะอยากหรือคุณจะไม่อยากทําคุณจะอยากได้เป็นพระลัษณหรือคุณจะไม่อยากได้ก็ตามแต่ถ้าคุณปฏิบตัติตัณหาคุณลดลงแน่นอน<ๆ>อืมครับนี่เป็นเป็นพระวจนะที่สนับสนุนตรงนี้ครับก็จะได้ครบครบถ้วนในส่วนของที่ เราได้พูดคุยกันมาสองสาตอนนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของศีลครับสิ่งของพระศีลของพระครับเยอะแยะเลยนะครับใช่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของศีลของพระนี่ก็มีคอมเมนต์มาจากคุณทิพย์มรดสมองครับคุณทิพย์เขาว่าอย่างไงเอ่ยเขาบอกว่าที่คือคุณทิพย์เนี่ยเชื่อมโยงกับที่เราเคยกล่าวมาว่าเหมือนว่าความเจ็บปวดแล้วก็ปิติอะไรทํานองนี้ครับก็คือคุณทิพย์เนี่ยเคยคลอดลูกโดย ไม่ได้บล็อกหลังซึ่งจริงๆจะสมัยนี้จะเราจะเลือกก็ได้ว่าสามารถฉีดยาบล็อกหลังจะได้ไม่เจ็บปวดแต่คุณทิพย์เนี่ยเลือกที่จะไม่บล็อกหลังเพื่อที่จะได้เรียนเรียนรู้การความเจ็บปวดจริงๆนะครับซึ่งทิพ์ก็ได้ฝึกการภาวนามาก็ได้เหมือนกับว่าพยายามควบคุมโดยการดูลมหายใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ตอนที่มันคลอดลูกเนี่ยมันมันมันเหมือนว่า ใกล้ความตายจริงๆเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากเนะครับมีคนเคยบอกว่าวันเกิดของลูกเนี่ยเป็นเหมือนกับวันกล้ายวันตายของแม่เกือบตายเหมือนครับครับนนีจริงจริงๆรนะครับครับแล้วก็เก็บอกว่าเหมือนกับว่าอืพอจะได้มาเชื่อมโยงกับไอความรู้สึกทางธรรมที่ว่าการแผ่เมตตาความการเสียสละอย่างอย่เงี้ยครับก็เหมือนกับว่าเออ แบ่งปันว่าจริงนะในความรู้สึกที่ที่พระอาจารย์เคยพูดมาว่าอพอเจ็บแล้วเกิดปีติแล้วมันจะหายเจ็บแทบจะทันทีทันใดอะไรทำนองนี้ครับก็เลยเออมาเชืมย ง, งครับแบ่งปันมาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ได้ทราบด้วยเหมือนกันครับเผื่อว่าประสบการณ์คนที่ไม่เคยมีบุตรเนี่ยมีเพื่อนมาชาวสิงคโปร์รแล้ก็มีลูกเขาก็อาธิบายไว้ให้ฟังว่าตอนมีลูกโดยที่คลอดด้วยวิธีธรรมดาเนี่ยนะ ว่ามันเจ็บมากเจ็บขนาดว่าเอาเอ า, เอามีดเอาดาบเนี่ยเอามีดยาวเก้านิ้วเนี่ยเสียบเข้าไปในท้องโอโแล้วก็หมุนอีกสามรอบแล้วก็เลื่อนไปทางขวาหมุนอีกสามรอบแล้วควักออกมาเสียบแทงเสียบแทงทิ่มทิมทมเข้าไปว่ามันเจ็บขนาดนั้นคือมันเจ็บไปทั้งตัวมันเจ็บไปทั้งโครงกระดูกอันนั้เนื่องจากกระดูกเชิงการมันขยายอยายอกเยอะ<ด>มากครั บ, รบมันเจ็บไปถึงแกนกลางของร่างกายมันก็เจ็บไปหมดนะเขาก็อธิบายไว้อย่างนั้น นึกนึกถึงที่ยากูซ่าเขฆ่าตัวตายนะใช่ครับคาราคิรีของพวกญี่ปุ่นพวกสมุไรใชใช่แล้วแล้วเขาก็เลยเลยเปรียบเที่ยวให้มันลึกลงไปกว่านั้นครับชักมีด่องมาทิ่มแทงก็ไปอีกหลายๆครั้งสิบสิบครั้งก็ถึงจะเจ็บเท่ากันครับอืก็อ่านแล้วก็เห็นภาพจริงๆครับตอนอ่านคอมเมนต์ของคุณทิพนี่โเรียกว่าแม่ทิพน่าจะ เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามีมีวัตถุดิบทางธรรมนะครับการการได้ผ่านลักษณะนี้มาทําให้ตอนปฏิบัติเพราะว่านํามาพิจารณาเนี่ยอันนี้เป็นตัว<ะ>อย่างที่พระพุทธายกมาไงเรื่องหลังว่ามารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนฉันไดแล้วก็เจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางอันหาประมาณไม่ได้ในสรรพสัตว์ตั้งปวงแม้ฉันนั้นอันนี้เป็นพุระวจนะนะครับโอก็เลยก็เลยยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาพูดได้ ครับต้องอนุโมทนาด้วยครับเอาต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องศีลกันสักหน่อยหนึ่งครับผมอที่เราค้างค่าไว้คราวที่แล้วครับก็เรื่องของการเรื่องของการประเคนนูาา่ว่ารัชพงนะครับการประเคน ญ, ญาติโยมเนี่ยมีของจะถวายกับพระภิสูจน์เนี่ยอกรณีเอาเอ า, เอา ป, รประเด็นแรกก่อนกรณีของชายกับหญิงนะครับท่านอย่างของอะไรก็ได้อย่างเงี้ยอืม เ ท, ท่าที่เราสังเกตเห็นก็คือเหมือนผู้ชายเนี่ยประเคนปับ๊บพ ก, ก็จะรับรับของมือไม่ไม่ไม่มีเครื่องไต่ต่อเช่นผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับกคอส่วนผู้หญิงก็จะมีมีผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับ ก, ก็คืออธิบายไว้อย่างงี้นะผู้เช่าบอกว่าการรับประเคนเนี่ยก็มีได้สี่ลักษณะหก็ ค, คือพูดถึงห้าลักษณะคือรับด้วยกายนะคือเอากายรับกัน คือมือกันมือกันเลยเหมือนอย่างที like okay. ่เราเราทำกันปัจจุบันกับพระชายนะครับหรือว่ารับด้วยของเรื่องด้วยกายคือส่งด้วยของเรื่องด้วยกายเราก็รับด้วยของเรื่องด้วยกายอย่างสมมติเขาใส่ถุงพลาสติกมาเราก็รับด้วยผ้าอย่างเงี้ยนะก็คือของเรื่องด้วยกายหรือว่าใช้ของเรื่องด้วยกายกับกายคือเขาเอางซื้อถุงพลาสติกมาเรารับด้วยมืออย่างเงี้ยนะหรือว่าใช้ ของนื่องด้วยกายกับวัตถุเลยสมมุติเขาเอาอาหารมาวางบนผ้าอย่างนี้ก็ได้ก็คือ4อย่างละเนาะสลากันไปสลากันมาแล้วก็อย่างที่5คือโยนให้การรับประเค็นนี่ก็คือเฉพาะอาหารที่ต้องกลืนล่วงลําคอเท่านั้นนี่ยคือหมายว่าบุคภิกษุเนี่ยถ้ารับของที่ต้องรับของที่ต้องกลืนล่วงลําคอเนี่ยคือวัตถุที่ต้องกลืนล่วงลําคอเนี่ยคุณต้องรับประเค็นก่อน คือถ้าไม่รับเนี่ยเราเราจะไม่รู้ว่าเขาให้หรือเปล่าอ่า<อ>ที่พระบอกเออห้ามจับห้ามจับเดี๋ยวเป็นอาบัติพระกินเข้าไปเป็นอาบาัติเข้าใจไหมครัแต่ถ้าผมว่าเราเราอ่าไม่ได้ต้องกินขอนนั้นไม่ได้ต้องกินแล้วถามว่าต้องประเคนไหมอเออมาแลวงว่าไม่ได้ผ่านล่วงลาคอเนี่ยต้องกินไม่ต้องประเคนไหมอย่างผ้าสักผืนนึ่งอ่ะจะเอามาให้พระอย่างเงี้ยต้องประเคนไหมน่าน่าจะต้องคืออย่างนี้ พระเจาจะแยกเราต้องแยกคํำบทเพลงชนะให้ให้รัฐกลุ่มนิดนึ่งเอาคําว่าของล่วงลําคอเนี่ยนะต้องใช้คําว่าประเคนคู่กับประเคนใช่ไหมประเคนเลยทีนี้อย่างเราต้องคอยระวังนิดหนึ่งอย่างพระเนี่ยต้องคอยระวังว่าเอสมมติของที่ไม่ต้องกินเรื่องลําคอแล้วไม่ขอประเคนเนี่ยมันจะเสี่ยงการที่ถูกขโมยเราจะเหมือนกับว่าเราจะถูกจทย์ด้วยการถูกขโมยสมมุติภาพืนนี้เออเขาให้หรือยังะ อ, เ, องเขายังไม่ได้ให้เราไปเอามาอ้าวคุณเป็นบาราจิกเลย รหรือว่าถือวิสาสะอย่างนี้ก็ไม่ถูกอคือปราชิกเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นหรอกเพราะเราไม่ได้มีจิตขโมยใช่ไหม<ช>เราอาจจะแค่ถือวิสาสะมันก็ไม่ใช่ ป, ปราชิกนะแต่ว่าเขาอาจจะมาโจดเราได้แต่ว่าไอ้ ค, คุณเอาของชั้นไปชันยังไม่ได้ให้เลยเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็เลยต้องการที่จะแบบให้มันมั่นใจว่าเขาให้หรื อ, อยังให้จริงๆเพรา<ล>ะฉะนั้นเราต้องแบ่งนี้นะด้วยการให้กับด้วยการประเคนประเคนกับให้ไม่เหมือนกันนะประเคนเนี่ยเอาอางนี้ดีกว่า ด้วยบทพยเพียญชนะเนี่ยการใช้งานมันจะไม่เหมือนกันไงด้วยบทพยเพียนชนะเนี่ยของประเคนสําหรับร่วงลําคอเนะีด้วยกิริยา5อย่างนี้นะส่วนของที่ไม่ได้ประเคนที่ไม่ได้กลืนร่วงลําคอเราก็ใช้คําว่าให้เฉยๆก็แล้วกันในที่นี้ไอ้คาว่าให้ตรงนี้ผู้ชมไม่ได้กําหนดว่าต้องให้ด้วยอีกกิริยาใดๆบ้างและใช้ปากพูดให้ได้ไหมอ่าบอกว่า อ, อ, อันนี้ถวายท่านนะครับอ่ อ, อะไรเ<ำ>งี้ยอันนี้<ๆ>ก็ไม่ได้ระบุไว้ละเอียดเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องลงรายละเอียด ใช่ไหมย่างสมมตรริรถรถยนต์อย่างเงี้เข้ามาให้พระหรือว่ากุฏิอย่างเงี้ยเข้ามาให้พระอ๋อนี้ต้องประเคนไหมอ่ะกุฏิประเคนไม่ไหวนะครับนี้ต้องต้องทําเป็นแบบแยกชิ้นส่วนน็อกดาวน์นะเดี๋ยวเอาขาขาโต๊ะมาประเคนก่อนแล้วเอาเสามาประเคนเสานี่แบ่งเป็นสี่ส่วนประเคนหลังคานี่แบ่งเป็นสิหกส่วนประเคนทีละอย่างเมันไม่ใช่อย่างนั้นไงแล้วประเคนแล้วจับไม่ได้เหรอกุฏินะประเคนแล้วจับไม่ได้เหรอโอ้โหมันเป็นเรื่องเลยอืมเป็นคนละเรื่องเลยอฟหลอดไฟอย่างเงี้ยเขาเขา ให้มาแล้วเนี่ยเรารับเราจะไปติดพระก็ไม่ได้เป็นคนไปติดเองคถามว่าโอ้ยยิ่งที่ต้องสมัยนั้นหลับไฟมาหนึ่งกุรุษอย่างเงี้ยโอ้โหต้องรับทุกทุกอันเลยเหรออย่างเงี้ยก็ใจไหมมันไม่ได้เป็นของกลืนร่วงลําคอองอืีครับมันถามว่าเราก็ยืดหยุ่นเอาครับอาจารย์มาเราก็ยืดหยุ่นเอาอย่าไปซีเรียสในเรื่องที่พระเจ้าไม่ได้ลงรายละเอียดจริงครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่างสมมติกรณีว่าเออเราก็ยืดหยุ่นตามระเบียบตามประจัยเพราะไม่ได้กลืนร่วงลําคอยอย่างไรก็ตามครับ อ, <ừ> อ, อันนี้ก็จะค่อยๆแก้ไปทีละปมนะเพราะฉนั้นอย่างน้อยเนี่ยคือกิริยาในการให้เนี่ยคุณจะต้องมีการตกลงกันนะคือเพราะว่าคารว่าบางทีเป็นคนไม่ละเอียดรอบคอบเพรา ะ, ะนั้นเขาให้เนี้ยโดยที่กิริยาเขาอาจจะไม่เหมือนกันให้เพราะนั้นเราต้องยืนยันด้วยชัดเจนนะพระสงฆ์จึงเอาการประเคนเนี่ยด้วยอาการเกลียของการประเค์ที่ใช้ในขอของกลืนรูดงคอเนี่ยมาใช้กับอย่างอื่นด้วยอ๋อเข้าใจไหม สมมติหลอดไฟอ่าประกันให้หมดครับ อ, อย่างเงี้ยนะหรือว่าคุณถวายคอมพิวเตอร์พระอย่างเงี้ยต้องประกันให้หมดกี่กเครื่องกี่เครื่องประเกันให้หมดเอา้าอีมันมันก็งงงงกันนะเอ <laughs> อไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เพราะว่าเป็นการยรืนยันว่าคุณให้จริงจอย่างเงี้ยก็อารมณ์ดุวยไปได้แต่ป า, าก็ไม่เครียดนะไม่ซีเรียสอะไรเรื่องพวกนคือถ้ามันยกประกันได้ก็อ้าวอ้าวก็รับรับไปอ่าแต่นี้ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า ประเคีแล้วห้ามแตะเลยไหมอันนี้เราเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของที่ให้ธรรมดาแล้วนะของที่ให้ธรรมดานี่ตัดไปละของที่ไม่ต้องกลืนรุ้งลําคอนะคุณจะเมื่อไงสมมติทั้งวัดมีพระองค์เดียวแล้วจะเอาไปเก็บยังไงจะไหมสมมติหลอดไฟให้มาหรือว่าของอื่นปากกาให้มาอย่างเงี้ยปากกาเนี่ยจะถือไปเก็บเองได้แต่เมืนอไงภาลามันจะมากก็ต้องมีผู้ทําการแทนส่งอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็จะเป็นคนระบบไป ทนี้เอาเรามาพูดถึงของกลืนล่วงลําค อ, อคกันก่อนว่าทุาพเจ้ากําหนดพูดถึงอากบัติเกลียของการประเคนเนี่ยมีอยู่5้าอย่างครนะอย่างบางทีพระไปบินตบาดด้วยการพายเรืออย่างเงี้เราก็เห็นใช่ ม, มบางทีครชาวบ้านก็โยนโยนให้อย่างนี้ก็มีนะก็บพบเจอกันอยู่ในปัจจุบันบอนี้ก็ถือมารับได้นะด้วยองค์5้าอย่างนี้ทีนี้ว่าการรับประเค์ของกลืนล่วงลําคอนะครับ ประเด็นมันก็คือว่าเอ๊ะแล้วไม่ได้บัญญัติว่าผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้ชายกับผู้หญิงแตผู้หญิงผู้ชายแตกต่างกันไหมไม่ได้พูดถึงเลยครับอ่าแสดงว่าสามารถรับด้วยมือต่อมือกันได้สําหรับผู้หญิงอันนี้ประเด็นที่หนึ่งก่อนนะซึ่งพระในในประเทศอื่นๆเช่นพระมาหรือหลังกาเนี่ยเขาก็ยื่นของต่อมือกันกับสุภาพสตรีเหมือนกันอแต่มือไม่ได้โดนกันไม่ได้โดนกันไม่ได้โดนกันคือว่าด้วยกายกับด้วยกาย โดยมไม่ต้องใช้ของเนื่องด้วยกายสําหรับพระสงฆ์ไม่ต้องใช้ผ้าใช่ไม่ต้องใช้ผ้าที่เป็นของเนื่องด้วยกายแต่ว่ามือต่อมือด้วยการมีของยื่นให้ได้เลย ร, รับกันได้นีป่ประเทศอื่นเขาเขาเป็นกันอย่างนี้ทีนี้พระในประเทศไทยเนี่ยก็กลัวอาบัตสังฆทิเศสนีนที่บอกว่าจับมือก็ตามจับซองผมก็ตามรูปครามเอาไว้เอาหนึ่งก็ตามของผู้หญิงเนี่ยนะ เป็นบอบัตสังกาทิเศตสังกาทิเศษ ท, นทีนี้ไอ้ บ, อบทพยัญชนะบุช่าบอกอย่างนี้บอกว่านหนึ่งพิสุทธิ์ได้กำหนดแล้วมีจิตแป ร, แรปรวนแล้วถึงความเข้าคลึงด้วยกายกรรมตุคามนะจับมือก็ํามจับซองผมก็ตามรูปคำเอาไว้เอาแดงก็ตามเป็นสังกาทิเศตนะคือจิตกําหนัดแล้วอ น, นนี้คือ ป, ประเด็นคุณต้องจิตกําหนัดก่อนนะใช่ไปจับไปรูปเอาไม่ต้องอะไรแค่โดนเส้นผมแม้เส้นเดียวจิตคุณกําหนัดนะคุณเป็นสังกาทิเศตเลยประสงนะเพราะฉะนั้นพระพิสุทธิก็กลัวประเด็นนี้ นก็จริงอเอางี้กันฉันไม่เสี่ยงะฉันยังไม่ได้เป็นพ ร, <อ S 1> ระ<ท>อะไรไนต์เลยก่อนฉันก็เอาเอาของเนื่องด้วยกายแล้วกันไม่โดนเธอจริงอย่างเงีนะจับก็จะไหมเพราะงั้นอย่างของเนื่องด้วยกายสมมุติว่าถ้าคุณจับกันแล้วคุณมีจิตกําหนัดงั้นคุณก็เป็นอาบัติสังฆทิเศตแต่ถ้าเราจริตเราไม่กําหนัดก็ไม่มีปัญหาอะไรอืมไม่ไม่ครบองค์ประกอบใช่อย่างพระที่ประเทศอื่นเขาก็เป็นกันอย่างนี้ยกเว้นพระที่ประเทศไทยเท่านั้นเองที่เขาจะต้องมีของเนื่องด้วยกายที่ มาๆนี่กันครับกรณีของของกลืนกลืนล่วงลําคอเนี่ยมีมีข้อยกเว้นไหมครับเช่นอย่า ง, อ ย, างอย่างน้ําอย่างเงี้ยได้ต้องอยกเว้นน้ํากับดิน<อ>น้ํากับดินไม่ต้องประเขยทีนี้น้ําเนี่ยมันก็จะต้องเป็นน้ําแบบที่ผู้เช่าพูดถึงคือน้ําตามห้วยน้องคลองบึงพวกนี้น้ําเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับน้ําตามห้วยห้วยน้องคลองอบึงแปลว่าพระสามารถที่จะไปไป<อ>ไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องประเขยเข้าใจไหมเ<อ>พราะมันไม่มีเจ้าของตรงนั้นน่ะ แต่ถ้าน้ําเป็นขวดขวดนี่ถามว่าเสี่ยงไหมสมมุติคุณไปห้างสรรพสินค้าเฮ้ยเอาน้ําสักขวดสิเอา้าไม่ต้องจ่ายเงินหรอเอามันของอย<ม>ู่ในห้างสรรพสินค้าของมีเจ้าขอ ง, ของใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องตี<ม>ความว่ามันเป็นของที่เข้ากับของที่ควรนะในความที่ไม่ควรเพราะนั้นก็ควรจะต้องประเคนสําหรับไอ้เจ้าน้ําเป็นขวดขวด<ม>แต่ถ้าน้ําตามห้วยหนองคลองบึงคุณไปรองน้ํามากินอย่างเงี้ย ค, คุณกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องประเคนอันนี้ถูกต้อง อืหรือว่าน้ําเหยียบสาธารณะตามที่สนามบินเหลืออะที่มีเหยียบแล้วก็ชันได้อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นสาธารณะซึ่งอันนั้นก็คือแบบว่าไม่ยืนชันมันก็ต้องระวังนิดนึงอ๋อเรื่องของยืนชันอีกครับใช่ใช่ใช่อันนี้นก็<อ>เป็นเป็นเรื่องเล็กน้อย <Yellow> ยืนนี่ยืนกินนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเล็กน้อยถึงว่าเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าอภิสมาจารย์อภิสมาจารย์ใช่ใชสินครอบที่เล็กเล็กน้อย อื<ม>ก็ค่อยทําการศึกษาเอาคือไม่ใช่ว่าเล็กน้อยเราไม่ทําไม่ได้เล็กน้อยเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าให้เห็นเป็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยครับอืก็ทําอยู่นั่นแหละแล้วก็ค่อยๆประทมศึกษาเอาอทีนี้เรื่องการประเคนเป็นอย่างนี้แล้วพ่อของที่ประเกณฑ์ไปแล้วน่ะมันถูกได้ไหมถูกได้ไหครับได้อีกไหมแบบโอหเอ้าโดนนิดนึงแล้วแบบพุ่งๆๆๆแบบต้องประเคนใหม่หมดทั้งโต๊ะอย่างเงี้ย คะว่าเอาชายเสื้อมาโดนชาแนนิดนึงเนะี่ยต้องของประเคนไว้เต็มโต๊ะและ้วมีเป็น20 30จานอย่างเงี้ยโดนนิดนึงต้องประเคนใหม่หมดเป็นไฟช็อตอย่างนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทีนี้เราก็ต้องมาดูจุดประสงค์ของพระเจ้านะคือพระเจ้าโดยปบทเพลงชนะเนี่ยไม่ได้บัญญัติเรื่องประเคนใหม่ของถูกต้องแล้วอะไรต้องเป็นอย่างนั้นแต่เรามาพิจารณาดูตรงนี้ว่าคือสมมุติเขาเขาถูกต้องไปแล้วเนี่ยนะสำหรับพระสงฆ์เมืองไทยเนี่นะเขาจะมีความกังวลว่าเอา้าอันนี้คุณยังให้อยู่หรือเปล่า เข้าใจไหมสมมติว่าฉันมาตั้งตรงนี้แล้วเธอหยิบไปอย่างเงี้ยเอาเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยคุณคุณยังให้อยู่ไหมเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้แล้วกันแล้วคุณจะให้คุณก็เาค่อยๆมาให้ใหม่อย่างงี้นะเราก็ก็ถือว่าอันนั้นคุณแม่ไม่ได้ให้แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ให้เราจะไปกินได้ไงก็ไม่ได้เข้าใจไหมอ่ะฮเราก็คิดกันอย่างงี้ครับอืมแต่โดยเจตนาของญาติโยมพูดพูดถึงในความเป็นจริงนะครับ ให้ก็คือเราก็ไม่ไม่ได้มีจิตคิดที่จะเอาคืนใช่ไหมครับใช่ใช่ทีนี้ครับคระวาอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ระวังเพราะฉะนั้นพระก็เลยแบบว่ า, าพยายามที่จะเข้มงวดในเรื่องนี้นะ อ, อาตมาก็ก็เห็นใจเรื่องนี้ทีนี้ว่าตัวตัวอย่างตัวเราเองเนี่ยเออเราก็พยายามที่จะทําให้มันง่ายนะนนโดยการที่ว่างงอย่างน้อยจะต้องมีความรอบคอบมีความเรียบร้อยอยู่ในอยู่ในกระบวนการนี้อนะอเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า เเป็นคนที่คุ้นเคยคนที่ทําได้ก็มอให้คนนี้ทําไปสะในเรงการประเกคนของครับเท่านั้นเองอและของที่ประเคนนี่มันก็ต้องเป็นประเคนนี่คือเราพูดถึงของกินนะของที่ประเคนของกินเนี่ยมันก็ต้องได้รับการทําให้มันเหมาะสมกับการรับประทานนะเช่นถ้าเป็นพวกผลไม้ที่มีเมล็ดแต่ก็ต้องเอามล็ดออกหรือว่าถูกบากถูกตัดเพื่อที่จะทำให้เป็นของกับปย้ยพันคือของที่ควรรับประทานของที่ดิบๆก็ไปทําให้มันสุกชะก่อนอย่างเงี้ย ก็แค่นั้นเองของพวกเนื้อสุก้เนื้อเนื้อดิบนี่จะเป็นข้อห้ามใช่ไหมครับใช่พิสูจห้ามรับเนื้อดิบอ๋ออย่างนี้กรณีปลาดิบแบบอาหารญี่ปุ่นก็ถือเป็นข้อห้ามใช่ไหมครับแต่ยกเว้นคนป่วยอ๋ออาภาษณ์ก็กินได้ใช่ครับอือบางคนอาจจะแบบถูกท้าดอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ได้กินแล้วมันจะป่วยก็ก็เป็นข้อยกเว้นไปสําหรับคนป่วย ทีนี้ว่าเรื่องการประเคนนี่ยังมีนิดหนึ่งตรงที่ว่ารับมาแล้วเราได้กี่วันอของกินอ่ะนี่นที่เราก็ได้แบ่งไว้เป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นอาหารกับส่วนที่เป็นยาในส่วนที่เป็นอาหารกับส่วนที่เป็นยาเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าอาหารนี้นะคุณรับแล้วก็มื้อเดียวจบนะลุกขึ้นแล้วก็จบนะในเมืองไทยก็ใช้เวลาตอนเที่ยง ในเวลาตอนที่ยงแต่โดยพุทธวัชนะก็ไม่ได้บ่งบอกเวลาโดยตรงนะก็มีแต่ว่าที่ครูบาอาจารย์พากันทำมาก็คือเวลาเที่งตรงแล้วในในพุทธวัชนะจริงๆก็คือว่าฉันเวลาเดียวแล้วก็ล่วงเวลาวิการคือนอกการของการฉันเนี่ยก็ไม่ฉันอีกก็แค่นั้นเองหมดเวลาช่วงนั้นอาหารทั้งหมดก็ต้องสละออกทิ้ไงไปมำเพ็ญกอื่นไปทีนี้ส่วนที่สองที่เป็นยา ครับนะของกลืนนลูกนมคอลจะมีอยู่3าอย่างคืออาหา ร, รใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนสองที่เป็นยายาเนี่ยกินได้เฉพาะเวลาป่วยนะ<ม>ถ้ามีเหตุถึงจะรับประทานได้นะยานี่ก็มีอยู่3ประเภทนะคื อ, คอประเภทเนี่ยแบ่งตามอายุของเขา<อ>ยาที่มีอายุ7วันนะก็มีคือยาเนยใสยในข้นน้ํามันน้ําพึ่งน้ําอ้อยนีพวกนี้มีอายุ7วันนะยาที่มีอายุ ได้เรื่อยๆายาที่มีอายุได้เรื่อยๆก็บกเกลือรากไม้ใบไม้หรือว่าเมเล็ดของต้นไม้อะไรพวกนี้ลําต้นมันที่มีคุณสมบัติเป็นยานี้ก็เก็บได้เรื่อยๆมีอยูสอย่สองอย่างไม่ใช่สาอย่างมี2อย่างนีค้ครับแล้วของกลืนร่วงลาคออย่างที่สามจะมาอย่างแรกคืออาหารอย่างที่2คือยาอย่างที่3 ค, คือปานะปานะเนี่ยแปลว่าน้ําน้ําน้ํา น, นี้นะคือไม่ป่วยคุณก็กินได้ หลังเวลาอาหารนะ ค, รนะคืออาหารจบแล้วคุณจะกินถ้าป่วยคุณกินยาได้นะแต่ถ้าไม่ป่วยคุณกินปานะได้ปานะ น, นี่คืออะไรคือน้ำที่น้ำอะไรน้ำผลไม้ที่ผ่านการกรองแล้วด้วยเครื่องกรอง8ชั้นนะภาับาบาลีเขาเรียกว่าอัถะคือค <ừ> ือภาษาเหมือนเครื่องกรอง8ดชั้นแต่แต่แดชั้นเนี่ยเป็นชื่อของเครื่องกรองก็ใชไหมไม่ได้หมายความว่ามันมี8ชั้นจริงๆอ๋อคือคือ เขาเอาตัวเลขกำกับไว้ในชื่อเครื่องกรองชนิดนี้่นะก็ไม่รู้ว่าไอ้เครื่องกรองชนิดนี้มันมี8ดชั้นหรือเปล่าอหรือว่าความถี่มันเป็นหนึ่งส่วนแปดของเซนติเมตรเราก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่างไงในภาษาผลีแตนะ่แต่ว่ามันก็มีเลขแปดอยู่กำกับในเครื่องกรองประเภทนี้อทําให้ทําให้ครูบาอาจารย์บางท่านบอกอต้องกรองแปดเที่ยวนะอะไรเป็นอย่างนั้นนะนะเหมือนกับมไม่ไม่ให้เหลือเนื้อแบบให้เป็นน้ําล้วนๆอย่างนั้น<อ>ใช่ไหมครับคืออย่างน้อยต้องมีการกรองด้วยเครื่องกรอง ประเภทแบบประเภทนี้อซึ่งในปัจจุบันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเขาตีความกันยังไงอาจจะเป็นเครื่องกรองที่แปดชั้นบางคนก็ตีความว่าเครื่องกรองที่มีลักษณะ1นส่วนแของเซนติเมตรอะไรกว่าไปก็ไม่รู้มกันหรือต้องเอาเครื่องกรองธรรมดาเดินเอากรองแปดเที่ยวแทนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ก็เป็นมีการกรองแหละว่า ง, งั้นนะอันนี้ไม่ป่วยก็กินได้แล้วปันะเนี่ยนะครับใช่แล้วก็มีอายุแค่หนึ่งวันหนึ่งคืน เดววันกัอีกหนึ่งคือผู้นีช้าก็หมดต้องสลัออกแล้วอย่างปานะนี่ฉันมากกว่าหนึ่งสมมุติว่าหลังเที่ยงใช่ไหมครับใบ่สามทีหนึงห้าโมงทีหนึ่งอย่างนี้ได้เขาได้ไม่ได้จํากัดเวลาเรื่องเรื่องนี้พื้นหลังเวลาอาหารเนี่ยปานะนี่ฉันได้ทีนี้ว่าการแสวงหามาซึ่งปานะนี้คุณคุณทําถูกไหมแค่นั้นเองถ้าทำถูกก็ไม่มีปัญหาทีนี้พระสงฆ์ทั่วๆไปจะสลับสนกันระหว่างยากับปานะนะเอามารวมกันเรียกว่าเป็นปานะทั้งหมด รวมเรียกว่าเป็นปานะทั้งหมดจริงๆไม่ใช่อไม่ใช่ไม่ใช่นะปานะก็ปานะปานะนี่คุณไม่มีเหตุอะไรคุณก็ฉันได้แต่ว่ายานี่คุณจะต้องป่วยต้องป่วยหรืออาพาธใช่คุณถึงจะฉันได้อย่างอาการป่วยเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากนะอย่างเช่นว่าเรารู้สึกเหนื่อยเรานี่ก็เป็นการป่วยเลยนะเราหิวนี่ก็เป็นอาพาธนะอเพื่อดับเวทนาองเงี้ย หิวอย่างเงี้ยสมมติเราจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อระงับความหิวอย่างเงี้ยเฮ้พิจารณาฉันอะไรดีเอก็ฉันอ่าอย่างเช่นเฉากล้วยใช่ไหมเฉาก๊วยนี่ทํามาจากใบไม้อย่างจากยาชนิดหนึ่งใช่ครับทีนี้ฉันใบสักสองสามคเออใครหิวลังพอต้องหยุดนีไม่ใช่ฉันถ้วยที่หกถ้วยที่เจ็ดแล้วฉันหลายๆถ้วยเนี่ยโอ้กินจนอิ่งอันคุณผิดเลยคุณผิดเลยอันนี้ผิดแน่นอนเลย ครับอันนี้ไม่เูกกันนะใช่หรือบางทีเยลลี่อย่างเงี้ยรับประทานได้มันก็มีส่วนสมของวัตถุที่เป็นยาอยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณกินแล้วก็เพื่ออะไรอ่ะถ้าไม่กินอะไรกินอร่อยลิ้นเฉยๆอ่านี่ผิดเลยกินแล้วอ่าผิดแล้วเพื่อบรรเทาการอาพาษใช่ถ้าเป็นอาภาษณ์นี่ก็คุณหิวไม่ก่อนแต่ไม่ก็ไม่หิวนาเฉยๆนะอ่าเงินอย่ากินกินอะไรได้กินปานะได้ครับน้ําผลไม้ที่ผ่านการกรองไม่ผ่านความร้อนอันหนึ่งครับ เอ้แล้วอย่างเนยเนยเนี่ยครับเนยที่ไม่มีนมนะครับท่านเนยเนยเนยมันก็มีนมไหมเนยมันก็ทํามาจากนมเนยทําจากนมใช่เนยเอเนยก็เป็นกลุ่มของของยาใช่ไหมฮะใช่เนยใสเนยในยใสเจ็ดวันกลุ่มเจ็ดวันอืมเทสเจ็ดวันอ๋อเจ็ดวันนี่เหมือนที่เขาใช้ว่าสัตตหการิก์หรือเปล่าใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องออครับอ๋อเนยนี่ก็จะเป็นเจ็ดวันอืมครับอืม แล้วมีอันหนึ่งช็อกโกแลตคือคือของพวกนี้มันต้องดูที่ส่วนผสมเราก็ดูตัวที่มันอายุน้อยที่สุดครับอ๋อคือนมนี่จะเป็นอาหารใช่ไหมครับใช่ถ้ามีส่วนประกอบของนมนมนี่จะเป็นอาหารอืคือสิ่งที่จะเป็นอาหารนี่ก็มีอข้าวนมปลาเนื้อข้าวนมปลาเนื้อใช่เป็นเป็นอาหารจะเป็นอาหารผักนะครับท่านผักคะน้าผักอะไรนี่ก็ เป็นอืมผักนี้ก็เป็นอาหารใช่เป็นอาหารคือนอกจากจะว่ามันเป็นยามีคุณสมบัติเป็นยานะครับก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ถ้าป่วยคนก็รับประทานได้ครับอืมแล้วอันนี้คือนี่เรื่องของไปเรื่องอาหารแล้วนะจากเรื่องวัคเคนใช่ครับยาไปอาหารเพราะเป็นของกลืนร่วงลําคอทีนี้ก็เลยต้องบอกบอกท่านผู้ฟังแล้วก็รวมถึงหมอรถพงด้วยแหละนะว่าับคือเรื่องปากท้องเนี่ยเราก็ให้มันง่ายๆซะ นันคือพระสงค์นี้ก็ไม่ได้จะไปแคร์เรื่องปากท้องอะไรมากหรอกอย่านะ <c oughs> ให้มันเป็นเรื่องยากแล้วก็เอาเท่าที่มันจะเหมาะสมกับสมณะจะบริโภคก็แค่นั้นแหละนะในการประเดินอัตมาแล้วก็ <c oughs> คิดว่าคนไทยเราเนี่ยควรจะมาเน้นเรื่องการศึกษาธรรมะให้มากนะควร <c oughs> ดีกว่าที่จะมาเน้นเรื่องปากท้องขึ้นอันนี้มันเห็นจากการที่ไปต่างประเทศนะคือจะไปนเน้น <c oughs> เรื่องปากท้องกันมากเลยว่าถึงจะแสดงธรรมฟังธรรมะสอนธรรมะอะไรต่างๆที่ลึกซึ้งนี่ <c oughs> ก็จะ มีความท้าทายมากในการที่จะเรีกคนมาฟังเป็นเป็นยังไงครับหมายว่าเขาปรับปรุงอาหารได้วิลิสมาหลาอย่างนะครับเพื่อที่จะว่าคือว่าไปสนใจเรื่องปากท้องกันมากไงกว่าการที่จะคือการปักท้องนี่หมายว่าถวายทานอะไรพวกเนี้ยนะทากันอยู่อย่างแบบเต็มที่เลยแต่แตพอมาฟังทำอะไรต่างนี้ก็จะมีจมํานวนคนน้อยลงหรือว่าเอมันก็จะยาก รวคนยากอะไรต่างอย่างเงี้ยนะเข้าเข้าใจครับเข้าใจเหมือนเหมือนภาพเหมือนเราอย่างไปวัดวันวันพระอย่างเงี้ยไปตอนที่ถวายทานหรือใส่บาตหรือถวายทานโอ้จะเต็มเลยเป็นร้อยเลยพอจังหวะอ่ะเสร็จละพิธีจะต้องมีการแสดงธรรมเนี่ยคนก็จะหายไปครึ่งหนึ่งกลับบ้านละอะไรเี้บอกมีธุระอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าก็จะเราจะเอาฟังทำขึ้นมาก่อนนี่ก็จะเป็นการยากอีกมันก็จะไม่ได้อะไรไม่ได้มันก็ เป็นเรื่องไปทีนี้ก็อย่างไรก็ตามก็จึงบรทานผ้ฟังแหละว่าเออเราก็เน้นเรื่องของการที่เอให้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งครับอนี่คือหนา้าที่ของส ม, มณะออืครับครับอย่างไรก็<อ> <ๆ S 2> ตามเราก็ต้องอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามแล้ววันนั้นถ้าเขาถ้าคุณต้องการถวายทานเราก็รับให้ครับนนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ควรแก่ส ม, มณะจะบริโภคอืมครับอย่าง ตัวแฮมเบอร์เกอร์ครับท่านอย่างบิ๊กแม็กอย่างเงี้ยถ้าพระสงฆ์รับไปแล้วก็จะหืมกัดโดยลักษณะของการกินเนี่ยมันดูดูไม่สํารวมไหมครับหรือว่าอย่างไงอ๋อทำอยังไงใช่ไหมครับอาตมาฉันยังไงใช่ไหมอาตมาก็หยิบมนทีละชิ้นกลุ <c oughs> ่มว่าเราก็กินจากข้างบนลงแป่งข้างล่างเราไม่ได้กินทางขวางใจ่ไหมอ๋อแล้วก็อาแป้งชั้นบนมากินก่อนแล้วก็เอาเนื้อชั้นที่หนึ่งเนื้อชั้นที่สองไล่ลงไปจนถึงแป้งชั้นล่างสุด อ๋อเองก็ไล่ไปทีละชั้นอืมคือมันมันแงบมันก็กินยากก็เลยใช่ครับชั้จากข้างบนไปครับอืมใช่เพราะว่ามันอืคือมันแล้วแต่คนคือมันมีอยู่ข้อหนึ่งนะภิกษุเนี่ยอรับประทานอาหารกัดคําข้าวเนี่ยแลมวเป็นเป็นอาบัดกัดคําข้าวเนี่ยอ๋อกัดคําข้าวนี้ก็คือว่ากัดออกเนี่ยฉีกออกเนี่ยก็พึงศึกษาว่าเราไม่พึงกัดคําข้าว อันนก็เป็นอาบาตเบาอะนะเป็นงานอาบัตเบาออเหมือนกับกัดบิ๊กแม็กอย่างเงี้ยที่เขาโฆษณาท่าปากงับอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอาบาตเบาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ <ไป S 1> มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยควรทำหรือว่ากินกินไก่อย่างเงี้ยแล้วก็ฉีกเป็นชิช้นออกมามีอันหนึ่งติดอยู่ที่ปากอันหนึ่งติดอยู่ที่มืออย่างเงี้ยหรือว่าข้าวปั้นเป็นก้อนใช่ไหเข้าวเหนียวอย่างเงี้ยปั้นเป็นก้อนอกัดคําข้าวมีส่วนหนึ่งติดอยู่ที่มือส่วนหนึ่งยังอยู่ในปากอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรกัดคําข้าว บางอันเตอะโอ้คือแบบว่าถ้าใส่ก็คือใส่ให้มันจบหมดไปเลยเข้าปากหมดเลยนี่อย่างประเด็นผลไม้หรือว่าอะไรที่มันชิ้นใหญ่ๆมันก็จะเป็นเรื่องยากอ่ะครับทําไงพระทําไงเออต้องคือบางองค์ก็จะไม่ได้ทำบางองค์ก็จะแบบกินไปเลยก็คือกัดคําข้าว่มไม่สนอย่างเงี้อันที่หนึงหรือก็ไม่ฉันผ่านไปอ๋อคอย่างเงี้ยนะก็ยังเรียกว่าแอปเปิ้ลสมมุติ ญาติโ ย, ยมไม่ได้เฉาะให้เป็นชิ้นมามาแบบเป็นลูกเลยอ๋อก็จะเป็นถ้าไปงับก็ดูไม่ดีก็ไม่วไมควก็ทําไงแล้วมาทําไงก็มา <c oughs> ก็ถ้าอยากกินเราก็จะเอาช้อนจิกมันออกมาแต่ถ้าไม่อยากกินเราก็ผ่านอย่างเงี้ยอ๋อช้อนเอ่อช้อนแซะได้ใช่ไหมครับอย่างพอตักมาเป็นคำํคำๆได้บ้างอื ใช้ขวามือคราเต้แพะออกมาฮะผมว่าไม่มีความสามารถอย่างนั้นกรณีที่ต้องผลไม้ที่ต้องกับปีนี่พิจารณาย่งไรครับแต่ก็มีเม็ดมีเม็ดหรือว่าเป็นต้นไม้อะไรที่มันเอาไปโตต่อได้อย่างไอตะไคร่อย่างอย่างก็เรียกว่าอะไรไอใบโหรพาอย่างเงี้ยใบของมันเนี่ยเอาไปโตต่อได้ก็ทําให้กับปิยาพันธ์นะโดยการที่บีออกโดยการที่หั่นมันหรือว่าเอาเมล็ดออกอะไรเงี้ยครับ พื้นที่เกิดแต่รากพื้นที่เกิดแต่ต้นพื้นที่เกิดแต่ผลพื้นที่เกิดแต่อะไรมีห้าอย่างเนี่ยครับพิกษุเว้นการรับพืชฌามพุทธการเห็นปานนั้นเสียอ๋อเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันเป็นอไปเลี้ยงดูเติบโตให้มันเป็นโตเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคือเป็นกาเลี้ยงชีพด้วยวิธีการอย่างนั้นน่ะนะครับอืมอ๋อพระเจ้าใช้คําอย่างนี้ว่าเอ การที่พืชที่เกิดแต่รากเกิดแต่ต้นเกิดแต่ผลเกิดแต่ยอดและเกิดแต่มเมล็ดเป็นห้าส่วนเว้นจากการทําพืชจกรรมและพปุตตะรามอย่างนี้ให้กําเริบเสร็จแล้วก็คือไม่ปลูกพืชไม่ทําการเลี้ยงเองอะไรพวกเนี้เห็งว่าห้ามพิกษุจากการปลูกพืชหรือว่าปรุงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมต้นไม้ อ, มอย่างเงี้ยนะปลูกต้นไม้ได้ไหมทั้งนั้นอ่ะอืมปลูกต้นไม้ ไม่ไม่น่าจะได้บ้างครับท่านได้ได้บ้าครับไม่ลกันนะมือนมันนน่าสงสัยเนาะเพราะว่าตรงนี้ผู้วดเจนว่าเว้นเว้นขาดจากการทําพืชการผู้ตการมให้กําเริบคือพืชที่เกิดแต่รากแต่ต้นแต่ผลแต่ยอดแล้วก็แต่มเมล็ดครับคือให้มันกําเริบขึ้นมาคือเอาไปปลูกนะว่างั้นไหมมาว่าแต่ลดน้ําต้นไม้คงไม่เป็นไรอ๋อลดน้ําน่าจะได้ลดน้ำน่าจะได้แต่ปลูกเองคง ไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างเหมือนเจ้าพระเนี่ยห้ามเอาจอบฟันดินด้วยใช่ห้ามขุดดินห้ามขุดดินครับเพราะเหตุอันใดครับท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องต้นบัญญัติที่ว่ามีพิสุไปขุดดินแล้วก็มาโจดพระเจ้าก็เลยบัญญัติว่าไม่ขุดดินคิดคิดเองว่าอาจจะมีพวกไส้เดือนฟันไปเดี๋ยวไปชุบเพราะว่าเคยมีสวนอยู่อ้าวไส้เดือนขาดเลย กระดิบกระดิบอยู่แล้วก็เห็นมันขาดต่อหน้าต่อตาตายไม่ได้เจตนาแต่ว่าคือใน<ม>ในดินเนี่ยมีมีสัตว์อยู่เยอะแยะไปหมดเลยใช่ครับอ<ม>อ๋อโอกาสที่พระจะเดี๋ยวที น, นี้<ะ>อธิกถาก็เลยบัญญัติเพิ่มแล้วว่าเป็นดินที่ไม่เกินกี่วันเป็นดินที่เพิ่งตักมาใหม่ไม่เป็นดินที่เขาขุดแล้วมาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีห้ามบ้างไม่ห้ามบ้างอะไรแล้วแต่โอก็จะเป็นเรื่องที่ ต้องต้องดูคืออย่สมุติดินที่เขาตักมาใหม่ๆอย่างนี้อย่างกองทรายอย่างเงี้ยเอามากองไว้ทำก่อสร้างเงี้ยเห้พรไปขุดได้ไหมเออพรไปขุดได้ไหมเห็นก็มีเยอะครับเห็นพระต้องทำเป็นงานก่อสร้างก็เป็นกองทรายถูกป่ะมันก็ไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นก็เพิ่งมาลงอย่างเงี้ยเอ๊มันก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดเหมือนกันนะว่ามันก็ติดอยู่กับดินอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเอออืมมันจะยังไงออเป็นข้อรายละเอียดซึ่งต้องพิจารณานะใช่ อย่างไรก็ตามเป็นเป็นวิธีการที่พระเจ้าจะแบบพอเราอ่านดูแล้วก็จะเป็นการที่รัดกลุ่มนะให้มีความเป็นอยู่ของพระนี่ก็จะเหลือแต่เรื่องภาวนาเท่านั้นเองครั บ, ค, รบคือข้อใหญ่ใจความเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ไม่ต้องการให้พระนี่ไปทำอย่างอื่นก็สร้างซ่อมรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอยากให้การาาหาเลี้ยงชีพเห็นปานนั้นเนี่ยให้เว้นการจากการหาเลี้ยงชีพเห็นปานนั้นเสียครับอืม จริงๆก็น่าจะเป็นหนทางที่ถูกต้องนะครับมุ่งสูงอ่ อ, อารีย ม, มาร์คครับเฉ<อ>ะนั้นก็คิดว่าวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องวินัยไปบ้างพูดเรื่องตัญหาไปด้วยครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องอะไรอีกหลังมีเรื่องของออิทธิบาทภาวนาอิอธิบาทภาวนาครับแล้วก็เรอาหารยาอณะครับครับเนาะครับถ้าหากท่านผู้ฟังมี ข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนําจะเป็นเรื่องวิทยในพระหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอ่าส่งมาได้นะครับที่เพียวธรรมะดอทคอครับนี่ก็แล้วก็ค่อยมาพูดกันใหม่ในสัปดาห์หน้ า, า น, น้อมาทศพงเนาะครับในตอนต่อไปแล้วก็ค่อยพูกใหม่ในสัปดาห์หน้าอจารย์บอลครับกราบราชการกรบพระคุณพระอาจารย์ภัยบุญอภัยบุโอแห่งวัดป่าดอนไหโศกและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับลาครับทุกท่า